โดยมากวัดครูบาอาจารย์ที่เข้าไปศึกษากับองค์หลวงตาเนี่ยโดยมากทุกวัดพระเจริญไม่พร้อมกันตอนที่ไปอยู่กับองค์หลวงตาก็ต่างองค์ต่างฝึกหัดฝึกหัดดัดนิดสัยตัวเองอยู่กับท่านเวลาออกมาก็การแนะนําสั่งสอนก็ก็ไปแนวแนวแถวที่ ได้ปฏิบัติมาแต่ถึงยังไงการอดอาหารไม่ใช่ว่าอดให้หิวโหวยให้ล้มให้ตายไม่ใช่อย่างนั้นอดเพื่อดูใจตัวเองอดเพื่อภาวนาอันนี้คือจุดใจไม่ใช่อดอาหารอย่างพระพุทธเจ้าพาอดพระพุทธเจ้าภาอดท่านว่าอัตตกินและมัฐานุโยก การทรามานกายให้ลำบากเปล่าอันนั้นท่านอดจริงๆอดท่านไม่คิดอะไรเลยอดเพื่อให้หิวอดเหมือนกับศาสนาอื่นเขาอดว่าหิวอดแต่ครูบาอาจารย์หลวงตาที่ท่านให้อดเนี่ยพออดแล้วจิตใจเป็นยังไงในขณะที่ไม่อดเป็นยังไงถ้าไม่อ จิตใจมันคึกขนองมันเอาไม่อยู่มันปร่งฟุ้งซ่านพออดอาหารเข้าไปมันเหนื่อยมันสยบพอมันสยบแล้วก็ดูใจเห็นใจตัวเองให้อยู่กับกรรมาฐานไหนกําหนดกับกรรมาฐานไหนนะเรื่องอะไรมันจะอยู่ในความสงบ ได้ง่ายเพราะนั้นการอดอาหารจึงเหมาะสมสาหรับพระกรรมฐานพระป่าไม่ใช่อดอย่างอื่นไม่ใช่อวดอวดคู่อวดคนไม่ใช่อวดหมู่อวดเพื่อนไม่ใช่อดว่าเจ้าของเก่งไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอดอย่างนั้นไปอดเปล่าประโยชน์อดเหนื่อยอดฟรี อดไปเกิดประโยชน์ถ้าอดเข้าไปแล้วต้องดูใจตัวเองพยายามเล่งความภาคเพียรใจของเราเป็นยังไงแต่ละวันเมื่อไม่อดเป็นยังไงเมื่ออดแล้วเป็นยังไงได้ผลยังไงมากน้อยแค่ไหนให้สังเกตใจนั่นแหะเพราะเรามาฝึกหัดใจไม่ได้ฝึกหัดอย่างอื่นก็ามาบวชพระกรรมฐานไม่ใช่บวชเพื่อเรียนวิชาความรู้อย่างอื่น เพราะพระุทธเจ้าของเราที่ท่านไปอยู่ในป่านะท่านไม่ได้ถือปากกาไปด้วยท่านไม่ได้เอาโต๊ะทางานไปด้วยท่านไม่ได้เอาจอบโอ้เสียมไปด้วยท่านไม่ได้เอาปืนผาหนาม้ไปด้วยสาดปลาอาวุธไปด้วยหอกดาบไปด้วยไม่ได้ไปฝึกวิชาตำรวจทหารวิธีการปกครองเป็นหราศาสตร์ ดูท้องฟ้าดูดาวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเรารู้จักว่าจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นเป็นอย่างไรท่านพาปฏิบัติอย่างไรที่ท่านออกไปอยู่ปา่าห6ปีนั่นนะ่ะให้เราศึกษาให้เราดูแต่ถึงยังไงดูทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าไป6ปี ก็ยังไม่สำคัญเท่าจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรได้บรรลุอะไรในวันเดือนหกเพนนนันน่นนะจุดนั้นนะ่ะจุดที่พวกเราน่าศึกษาอย่างยิ่งแต่ถ้าว่าจุดอื่นคล้ายๆเหมือนกับ น, นักวิทยาศาสตร์ลองผิดลองถูกอันนั้นเป็นหน้าที่ของคนนัานไปแต่ว่าจุดที่เป็นผลขึ้นมาเนี่ย จุดนั้นพวกเราควรจะสนใจเพราะพวกเราจะต้องการผลอย่างนั้นผลอย่างที่ท่านได้ตัดสรุปมาแล้วเดินทางรัดมาแล้วเหมือนกับท่านเดินเรือไปต่างประเทศอย่างนั้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอลองผิดลองถูกเราไม่อยากจะทดลองอย่างนั้นแต่ว่าผลที่ได้มาแล้วเดินทางไปอเมริกาทางไหนรัดที่สุด ไปยังไงเนเราต้องการไปทางนั้นไปทางที่ลักที่สุดตรงที่สุดตอนที่คนที่แรกเดินเรือไปนั้นเออไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปทิศเหนือทิศใต้อันนั้นเราไม่สนใจเพราะผู้นั้นเป็นผู้ทดสอบทีแรกแต่เมื่อทดสอบผลออกมาแล้วเป็นยังไงจุดนั้นน่ะเราควรจะเดินตามจุด ที่ผลออกมาถูกต้องที่สุดแล้วนี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินมาพาคณะสิทธิานุสิท์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บอกว่าทางนั้นเป็นทางอตตกิเลมัฏฐานุโยคทางนี้เป็นทางกามสุขันธิกาทางนี้เป็นทางมัชชิมาปฏิปทาเอ่อกล่าทางสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทา มัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคือศีล ส, สมาธิปัญญาคือมรค8ดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรอย่างที่เคยพูดเล่าให้ฟังโดยลําดับแต่ว่ามัชชิมามัชชิมาปฏิปทาคํานี้เนะี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องวิเคราะห์ตัวเองแต่มัชชิมาคนหนึ่งมันถูกอย่างหนึ่งมัชชิมาคนหนึ่งมันถูกอย่างหนึ่ง สรุปแล้วก็คือให้สังเกตตัวเองให้สังเกตใจตัวเองเราปฏิบัติอย่างนี้ใจของเราเป็นยังไงเราปฏิบัติอย่างนี้จิตใจของเราปรุงฟุ้งซ่านยังไงเราปฏิบัติอย่างนี้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นอย่างไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวเองมีแต่ตัวเองบนว่าจิตใจของผมเดือดร้อนวุ่นวายจิตใจของผมไม่สงบตัวเองไปทําอะไรมาบ้าง ตัวเองไปคิดอะไรบ้างตัวเองไปทําอะไรบ้างตัวเองไปพูดอะไรบ้างให้สังเกตตัวเองไหมได้สังเกตตัวเองไหมแต่ถ้าสังเกตตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเราปล่อยอารมณ์ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปล่อยใจจนเกินไปใช่หรือไม่ปล่อยไปทางไหนมันจึงนําผลเข้ามาหาใจของเรา ใจของเราจึงเดือดร้อนฟุ่นวายไปหมดอันนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเรารู้แต่รับแต่ผลของมันว่าใจของเราเดือดร้อนใจของเราวุ่นวายใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจของเรากิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเหมือนจะเป็นบ้าเป็นบอไปเพราะเหตุไรเราทําไมจึงไม่นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สําเร็จมาแล้ว ตัสรู้มาแล้วเห็นผลมาแล้วนํามามาใช้สําหรับตัวเองบางเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระพุทธรูปท่านก็มีจิตมีใจเหมือนกันท่านก็มีบ้านมีเรือนมีพ่อมีแม่มีอัครมเหสีมีบุตรมีบริษัทบริวารเพราะฉหนั้นในวันที่ท่านตัดสรู้ท่านก็ไม่ได้พูดว่าวันก่อนๆน่ะเป็นยังไงคงจะมี มันลมมันตุ่มย่งยุ่งเหยิงวุ่นวายที่สุดเหมือนกันแต่ขนาดวันที่จะตัดสรุปธรรมที่จะบรรลุธรรมนะที่จะได้ตัสรุ้ธรรมบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นท่านยังได้สู้กับกิเลส ข, ของพระ อ, องค์พยามารไม่รู้กี่อย่างตัวกี่อย่างถ้าพวกเราได้ศึกษาพญามารพร้อมเสนามานนางตันหานางราคานางอรดี ที่เป็นลูกสาวพญามารสรุปแล้วก็คือราคะโทสะโมหะนางราคานางตันหานางอรดออีนางคีอิจฉาในจิตในใจนางยินดีในเรื่องโรคเรื่องสงสารต่างๆมันอยู่ในใจของพระองค์พระองค์ดูเออเอาธรรมอนัตตาเข้าไปถลม่มจนหลงลาบคาบในพระไัยของพระองค์ ไม่มีอะไรที่จะขึ้นมาต่อกกอขึ้นมาสู้กับใจของพระองค์ได้ในวันเดือน6เพนนนั่นแหละนี่ว่ารมไปใช่อว่ากิเลสพระองค์จนเงียบสงบได้เมื่อไหร่พระองค์ก็สู้กับใจของพระองค์สู้กับกิเลสพระองค์ภายในใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันอยู่ที่โคนต้นโพอก่อนหน้านั้นไม่ต้องพูดถึงแต่วันที่พระองค์เอาชนะ คราบคาบกับกิเลสนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะน่าสนใจอย่างมากสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับที่หลวงพ่อได้พูดว่าท่านจะทดลองอย่างไรก็ตามแต่ผลสําเร็จวันที่ประสบความสําเร็จนั้นถูกต้องดีงามเป็นธรรมจุดไหนะจุดนั้นพวกเราควรจะสนใจแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่ายใจใจของเราถ้าว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจจนไม่มี การดูแลบำรุงรักษาจนไม่มีการปกป้องปล่อยตามอาเภอใจคิดตามอาเภอใจกินตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจไปตามอาเภอใจทั้งหมดแล้วกิเลสตัวไหนเมื่อก็ใหญ่เป้งขึ้นมาทั้งหมดแต่ถ้าว่าพวกเราสกัดรัดกัน้น ใ, ใจอยากจะคิดก็ไม่คิดมันอยากกินก็ไม่กินมันอยากนอนก็ไม่นอนมันอยากพูดก็ไม่พูด มันอยากจะทำก็ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำทำมันไม่อยากทำทำบังคับให้ทำเดินโยกรมนั่งภาวนาไม่อยากจะคิดให้คิดบริกรรมพุโทโธพานานาิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราบังคับให้มันคิดเถ้าพูดไม่อยากจะพูดบังคับให้มันพูดอรหังสัมมาสัมพุโทโธปะควาพุทงังสวากาโตสุปฏิพนโนเน จะร่ำเสวนพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่อยากจะพูดให้มันพูดบังคับให้พูดแต่สิ่งที่มันไม่ดีบังคับอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำอ่ะเปกห้ามก็ไว้แต่ถ้าว่าส่วนไหนที่ถูกต้องเป็นธรรมบังคับเหยียบคันเร่งให้คิด ให้ทำให้พูดอ่อันนี้เราต้องดูดูที่ตัวของเราไม่มีใครที่จะรู้อย่างที่ว่านั่นไม่มีใครที่จะรู้ตัวของเรายิ่งกว่าเราเองเพราะนั้นพวกเราในภาคปฏิบัติทางหลายไม่ให้ดูที่อื่นให้ดูกายวาจาใจของเราให้ดูใจของเรานั่นหละเป็นหลักและกะจากนั้นก็นำแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พา ประพุธปฏิบัติมาอย่างไรเราก็เดินตามแนวแถวนั้นเดินตามแนวแถวนั้นไม่เหยียบหนามไม่เหยียบหลับตอ่อไม่ชนโคตชนหินมา่อกี้นั่นแตถึงอย่างไรเอาเอาตัวรอดได้รู้จักหลบรู้จักหลีกผลที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคนิพพานดวงตาเห็นธรรมในที่สุดนะวันนี้ก็ได้พูดแนวความคิดให้พวกเราได้ฟังอีกแนวหนึ่งสรุปแล้วก็ มันเป็นแนวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพวกเรามันฟังแล้วอย่างว่าลืมหน้าลืมหลังอีกมันต้องพูดไปบ่อยแต่ขนาดพูดไปบ่อยอย่างนี้กระเดียวก็จะหาว่าหลวงพ่อพูดซ้ำซากเกินไปแต่กิเลสในหัวใจของเราซ้ำซากปฏิบัติไม่ได้ไม่เห็นว่าสักทีเอารับพรท่านนี่ยยะถาวาริวาปุราปาริปูร